มาบรรยายชุดทุกวันสำคัญชวนกันเจริญธรรมโดยพระพรหมคุณาภรณ์ปออประยุตโตวัดยาณเวสกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพ ร, รานจังหวัดนคนปรปฐมเรื่องที่สามคนไทยต้องเข้มแข็งด้วยปัญญา จงลุกขึ้นมาก้าวหน้าไปธรรมกถาเมื่อวันวิสาขาบูชาวันที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2 5 5พรอหาขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านขอนโมทนาที่ทุกท่าน ได้มีน้ำใจประกอบด้วยคุณธรรมในใจมีศรัทธาเป็นต้นได้มีความสามัคคีมาพร้อมเพียงกันทาพิธีพุทธบูชาวันนี้ถือว่าเรามายกเวลาถวายแก่พระพุทธเจ้าและไม่ใช่ยกถวายเฉพาะเวลายกจิตใจเราให้ถวายพระองค์ด้วย การที่เรายกเวลาถวายจิตใจแก่พระพุทธเจ้านั้นก็เป็นการบูชาที่สำคัญตามปกติเราก็ยกเอาพวกเครื่องสการดอกไม้ทุบเทียนถวายอยู่แล้วแต่นั้นก็ยังเป็นสิ่งภายนอกถ้าเรายกจิตใจถวายนั้นก็คือบูชาแท้ๆด้วยความจริงใจและการที่ถวายแก่พระองค์นั้นก็เป็นประโยชน์กับตัวเราเอง เรายกจิตใจถวายท่านก็คือใจเราไปอยู่กับธรรมะอยู่กับพระพุทธเจ้าใจเราก็สดชื่นเบิกบานผอมใสจริงใจเรานี่อาจจะวุ่นวายกับเรื่องต่างมาวันเวลาก็มีเรื่องโน้นเรื่องนี้เข้ามาจิตใจก็มีเรื่องรบกวนอย่างโน้นอย่างนี้พอถึงวันนี้เราถวายไปพุทธบูชาใจเราเหมือนกับปรงวางสิ่งเหล่านั้นทั้งหมด พอวางเรื่องวุ่นวายต่างๆความสับสนความขุม่นโมวเศร้าหมองหมดไปเหลือแต่ความสงบความผ่องใสเบิกบานมีในใจวันนี้ยกถวายพระพุทธเจ้าวันหนึ่งจิตใจของเราก็จะดีเองก็คือเป็นจิตใจที่เป็นบุญเป็นกุศลแต่ว่าที่เรายกถวายอย่างที่เรียกว่าปล่อยวางอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ไม่ใช่หมายความว่า ปล่อยไม่เอาเรื่องอาราวอะไรทั้งนั้นแต่ว่าเป็นการปล่อยแบบตั้งหลักคือเราอาจจะวุ่นวายแล้วก็วิ่งเต้นไปตามเรื่องราวที่เกิดขึ้นบางทีก็พลุ่งพล่านงุนงานไปอย่างน้อยก็เป็นไปตามกระแสที่ไหลมาเราก็พลอยสับสนทีนี้พอเราวางเรื่องเหล่านั้นลงไปใจมีเวลาได้พักตั้งหลักได้ แล้วเราจะพร้อมที่จะไปดําเนินการไปจัดการกับสิ่งทั้งหลายต่อไปไม่ใช่ว่าปล่อยวางแล้วทิ้งถ้าปล่อยวางอย่างนั้นก็กลายเป็นประมาทกลายเป็นปล่อยปละละเลยปล่อยไม่เอาเรื่องเอาราวอย่างนั้นไม่ได้ปล่อยนี่ก็คือว่าปล่อยทางจิตใจที่ทําให้เกิดจุดที่ว่างขึ้นมาในใจของเราเวลาเราอยู่ในชีวิตประจาําวันไม่แต่ทํางานทําการ ใจของเราถ้าวุ้นไปหมดก็เกิดปัญหากับตัวเองแม้แต่คิดอะไรก็ไม่ค่อยได้ผลแต่ใจข้างเรามีจุดว่างของเราอยู่บ้างเนี่ยทำให้เรามีหลักมีจุดที่มาอยู่กับตัวเองแล้วก็ใช้เป็นที่ว่างในการคิดพิจารณานาเอาสิ่งต่างๆมาใครครวญทำให้เกิดผลดีคือทำให้ใจพร้อมที่จะใช้งาน อย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าทำจิตของเราเนี่ยให้เป็นกรรมนิยะให้เหมาะกับงานก็คือจิตของเรานี้ต้องสงบว่างจากเรื่องวุ่นพอไม่มีเรื่องวุ่นใจว่างปัญญาก็จะมองเห็นอะไรจะอะไรชัดเจนแจ่มใสเราอาจจะวุ่นวายจกนกระทั่งตั้งหลักไม่ถูกพอถึงวันนี้เราปล่อยวางสถทีใจเราตั้งหลักได้วันนี้เราได้โอกาสแล้ว ทำให้เกิดจุดที่เป็นศูนย์กลางตั้งหลักของตัวเองไว้ทีนี้ต่อไปไงไงก็มีหลักของตัวเองมีที่ทำการพิเศษที่เป็นแก่นเป็นแกนแม้แต่เป็นจุดพักของตัวเองขึ้นมาก็ยังดีเวลาเนี้ยโลกเราก็รู้กันอยู่วุ่นวายสับสนมากวันนี้ยังดีว่าผ่านพ้นไปอีกวันหนึ่งถ้าหากว่าเรื่องเมื่อวานนี้มาตรงวันนี้ โยมหลายท่านอาจจะไม่กล้ามาหรือมาก็ใจระทึกวันไหวอะไรกันอยู่วันนี้ก็เรื่องผ่านพ้นไปได้ก็ทำให้จิตใจสงบง่ายขึ้นและโยมก็ควรจะทำให้ใจสงบวางได้จริงเรื่องของสิ่งวุ่นวายต่างๆเหล่านั้นก็เป็นเครื่องพิสูจน์เราเหมือนกันเป็นแบบฝึกหัดที่ว่าเราจะวางใจของเราต่อสิ่งเหล่านั้นได้อย่างไง ปัญหาต่างๆเวลานี้ก็มีมากมายเหลือเกินชาวพุทธเหล่านี้จะต้องฝึกตัวเองตลอดเวลาฝึกพฤติกรรมก็คือในการที่จะวางตัวปฏิบัติแสดงออกภายนอกให้เหมาะสมและลึกข้นมาก็ฝึกจิตใจนี่แหละทำไงจะวางใจให้สงบอยู่ได้วางใจต่อสิ่งเหล่านั้นให้ถูกต้องให้มันผ่านไปได้ดีที่สำคัญก็คือฝึกปัญญา จะต้องมองให้รู้เข้าใจชัดเจนการรู้เข้าใจชัดเจนเนี่ยจะทำให้หวางใจได้ถูกต้องถ้าเราไม่รู้ไม่เข้าใจจริงแล้ววางใจได้ยากก็สับสนอยู่นั่นแหละไม่รู้จักจบนั่นก็เป็นเรื่องการเมืองพระก็ไม่อยากเข้าไปยุ่งแต่ว่าก็เคยพูดกับพระใหม่ท่านบอกว่าต้องเข้าใจให้ถูกนะพระเนี่ยก็ต้องเกี่ยวข้องกับการเมือง แต่ว่าต้องรู้เข้าใจด้วยว่าพระเกี่ยวข้องกับการเมืองอย่างไรพระก็มีวิธีปฏิบัติมีท่าทีมีการวางตัวกระท่างต่อเรื่องการเมืองแต่มาก็พูดให้ท่านฟังไปแล้วไม่ต้องมาซ้าในทีน่นี้แค่พูดในการเมืองก็มีทั้งแง่ที่พูดได้และแง่ที่พูดไม่ได้พระพูดเรื่องการเมืองพูดในแง่ไหนถูกต้องพูดในแง่ไหนไม่ถูกต้อง อาตมาก็ยกตัวอย่างบอกว่าพระพูดเรื่องโจรได้ไหมก็บอกมีทั้งพูดได้และพูดไม่ได้ถ้าพูดเรื่องโจรพูดไม่ดีท่านเรียกว่าเป็นติละฉะนานกถาเป็นการพูดที่เสียหายขัดขวางต่อทางปฏิบัติของพระสงฆ์แต่ถ้าพูดถูกต้องถูกทางนี่พระพุทธเจ้าก็ตรัสพระสูตรว่าในเรื่องโจรในพระใจบิดกมีอย่างน้อยสสูต ร, พ, รพุทธเจ้าตรัสเรื่องโจรไว้ เช่นตรัสว่าโจรเนี่ยควรจะประพฤติตัวอย่างไรในการเข้าปล้นก็หมายความว่าพระพุทธเจ้าก็ยังตรัสในเรื่องโจรที่ยกเรื่องโจรมาเป็นตัวอย่างไม่ใช่หมายความว่าการเมืองไม่ดีเอาไปเทียบกับโจรแต่หมายความว่าแม้แต่เรื่องที่เห็นอยู่ชัดๆว่าพระไม่ควรเปน็นโจรนิยมรู้แน่แล้วพระก็ยังต้องเกี่ยวข้องกับโจรยังต้องพูดถึงเรื่องโจรได้และเรื่องการเมืองนี่ที่จริงเป็นเรื่องสร้างสารรค์ประเทศชาติ ความมุ่งหวาที่แท้แล้วเป็นเรื่องที่ดีแล้วทำไมพระจะพูดไม่ได้แต่ต้องพูดให้ถูกเรื่องถ้าพูดไม่ถูกทางแล้วก็พูดเรื่องการเมืองก็เป็นติละฉานนักขถาเหมือนกันถ้าแปล ย, ยาวๆก็เป็นถ้อยคำที่เป็นดิละฉานแต่ถ้าพูดถูกแล้วก็เป็นถ้อยคำที่ดีงามประเสริฐพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสสอนธรรมะสาหรับผู้ที่ปกครองบ้านเมืองให้ดารงอยู่ในธรรมะจะได้ปกครองให้ประเทศชาติอยู่ร่มเย็นเป็นสุข การเมืองก็เป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญต่อประชาชนทั้งประเทศชาติแต่วันนี้เราก็ไม่พูดกันเรื่องการเมืองเราก็พูดเรื่องอื่นพูดเรื่องการบ้านก็ได้การบ้านก็เรื่องของครอบครัวจะจัดการไงให้ลูกหลานอยู่ดีมีความสุขก็เป็นเรื่องสำคัญพระมาอยู่บ้านก็พูดเรื่องชาวบ้านได้เลยไปก็การประเทศชาติเรื่องของการของโลก การโลกก็สําคัญเหมือนกันก็ต้องพูดตอนนี้ก็มีวิสาขาบูชาโลกนะีก็ต้องเอาเหตุการณ์ของโลกเข้ามาเพราะเราจะทําให้เกิดสติภาพในโลกได้อย่างไรอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพระพระก็พูดเรื่องการโลกไม่เฉพาะการบ้านการเมืองการประเทศชาติอาการโลกเลยแต่ว่าลึกเข้าไปอีกนีดแคบเข้ามาที่สุดแล้วออกไปไกลถึงโลกแล้วกลับมาใกล้ที่สุดการในใจของเตัวเอง ในที่สุดต้องพูดถึงการในใจก็ต้องมีวิธีปฏิบัติต่อจิตใจเขาตัวเองให้ถูกต้องแม้จะจัดงานวิสาขาบูชาโลกก็ต้องพูดถึงเรื่องการทาสมาธิการทำจิตใจยังไงให้มีคุณธรรมให้มีความสงบให้ตั้งมัน่นก็เป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวเลยถ้าจัดการจิตใจเขาเราให้ดีให้ถูกต้องได้เราจะออกไป จัดการเรื่องการบ้านการเมืองการประเทศชาติการโลกมันก็ทําได้ผลดีแต่กระแม้แต่การในจิตใจของเราบางทีก็วางไม่ถูกเหมือนกันบางคนไปปฏิบัติธรรมข้าววัดด้กว่าเออไปจัดการกับเรื่องจิตใจของตัวเองไปเข้ากรรมาฐานพิจารณาขันห้ารูปไม่เทียงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นเราจะต้องปล่อยวางไม่เอาเรื่องเอาเราวเลยไม่เอาอะไรทั้งนั้น อย่างนี้ก็กลายไปว่าอาจจะผิดไปเลยไม่เอาไม่เอาเรื่องไม่เอาเงินอาจจะถูกแต่ว่าเกิดไม่เอางานขึ้นมันก็ยุ่งเลยก็ต้องพิจารณาให้ถูกไปทำกรรมฐานปฏิบัติธรรมนี่ก็ต้องทำจิตใจของเราให้ถูกได้หลักวิปัสสนาพิจารณาให้ความจริงของสังขารวางใจต่อสังขารได้ ก็หมายความว่าเราเนี่ยได้หลักที่จะกลับออกไปทำงานทำการได้ดีขึ้นแต่ก่อนนี้อาจจะคิดถึงวัตถุสิ่งของอยากได้อยากอะไรต่างๆมีความโลภมีความโกรธพอเห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นพระไตรลักษณ์ในสังขารในขันห้าแล้ววางใจถูกต้องได้ก็ไม่โลภทีนี้จะไปทางานทาการไปปกครองบ้านเมืองไปบริหารประเทศชาติ ใจก็คิดไปตามความมุ่งหมายในการปกครองบ้านเมืองให้มีความร่มเย็นเป็นสุขจริงๆไม่คิดที่จะเอาและไม่คิดจะเอาเพื่อตัวเองและเพราะว่าเรารู้เข้าใจเรื่องความไม่เท่งเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเราทําไปตามความมุ่งหมายที่แท้ไม่ใช่ว่าเลยปล่อยไม่เอาเรื่องเอาราวเรื่องของบ้านเมืองประเทศชาติเรื่องของบ้านเรื่องครอบครัวทิ้งหมดอย่างนั้นไม่ใช่ถ้าเรายังทําหน้าที่อยู่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องแต่เราจะทําได้ถูกก็หมายความว่า เรารู้ทันและความจริงของสังขารทีนี้เราจะจัดการจะสิ่งเหล่านั้นเราไม่มีกิเลสในใจอย่างที่บอกเมื่อกี้เนะี่ยเราเคยคิดทํางานส่วนรวมเราก็ไม่มีความโลภของตัวเองอยู่ที่นี่ทีนี้พอเราไปเข้ากรรมฐ า, านและใจเรารู้เท่าทานอนิจจังทุกขนานัตตาหมดความโลภไม่คิดเอาเพื่อตัวเองแล้วทีนี้ทํางานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมแท้ๆเลยใจมันก็บริสุทธิ์ทํางานก็สะอาด ปัญญาก็เดินเต็มที่เลยทํางานทําการให้สําเร็จผลบรรลุจุดมุ่งหมายที่แท้จริงไม่ใช่กลายไปว่าพอไปเข้ากรรมฐานปฏิบัติทําเลยกลายเป็นคนไม่เอาเรื่องเอาลาวปล่อยเละเอะเทอะหมดกลายเป็นคนประมาทก็เลยปล่อยวางกลายเป็นปล่อยปะลาละเลยถ้าปล่อยปละละเลยท่านี้กเนน็เป็นคนประมาทเป็นคนประมาทก็เสียเลยประมาโทโฮมจุโน่ทางความประมาทเป็นทางแห่งความตายนั่นก็ต้องทําความเข้าใจให้ถูก ไม่ว่าการอะไรทั้งนั้นถ้าปฏิบัติผิดแล้วก็เกิดปัญหาทั้งนั้นเลยแม้แต่เรื่องปฏิบัติธรรมนี่บางทีก็ยังมีความเข้าใจไม่ถูกต้องแล้วก็เกิดปัญหาขึ้นได้ก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าละเอียดอ่อนพอสมควรแต่ทั้งหมดนั้นก็คือต้องมีปัญญาที่รู้เข้าใจชัดเจนนั่นเองอย่างตอนนี้นอกจากเรื่องการเมืองก็กระแสสังคมกว้างออกไปคนก็มาเพลิดเพลินกับเรื่อง กระแสจตุคามรามเทพแล้ววันนี้โยมก็คงได้รับแจกหนังสือบทสนทนาเรื่องคติจตุคามรามเทพความจริงนั้นสํานัก ง, งานพุทธศาสนาแห่งชาติขอพิมพ์ทางนี้ไม่ได้คิดจะพิมพ์อะไรหรอกนี่พอขอพิมพ์ไปแล้วอ้าวก็ทําให้ทางโ น, น้นเลยทางนี้ก็ไม่พิมพ์เพราะว่าเมื่อทางสํานัก ง, งานพุทธศาสนาแห่งชาติพิมพ์แล้วก็ท่านพิมพ์มากก็แจกมาถึงนี่เอง ปรากฏว่าทางสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติได้ทราบพระเกิดพิมพ์ไม่ทันเลยไม่มีจะแจกแต่ว่าก็พอดีมีโยมมาพิมพ์ทันขึ้นมาก็เลยมีแจกวันนี้ก็ไม่ใช่วัดพิมพ์ล่ะเป็นโยมพิมพ์นี่จะเห็นว่ามีแบบปกแปลกหน่อยอาตมาเห็นก็มา น, นึกว่าท่านออกแบบมีความหมายดีโยมลั้งตีความหมายดูสิปกหนังสือคติเจตุคามรามเทพน่ะได้เห็นแล้วเป็นยังไง ก็ขอตีความให้ฟังนิดหนึ่งว่าองค์จตุคามรามาเทพเนี่ยท่านเป็นเทวดาที่ดีประวัติบอกว่าตั้งใจบำเพ็ญบา ร, รมีจะเป็นพระโพธิสัตว์ทีเดียวแหละก็เป็นผู้มีศรัทธาตั้งใจทําความดีอย่างสูงเลยแต่นี้ท่านอยู่มาเป็นพันปีท่านก็อยู่มาอย่างเงี้ยแต่มาถึงตอนนี้สังคมไทยตื่นท่านกันใหญ่เลยทีนี้ที่ตื่นเนี่ยมันมีอันหนึ่งที่เข้ามา ก็แสดงออกในภาพที่อยู่กับเหรียญจตุคามนั้นก็คือมีรูปคล้ายๆกับดักกับดักนั้นก็คือสั ญ, ญลักษณ์ของสังคมไทยปัจจุบันมีอะไ ร, แ ต, ะไร แ, แต่สิ่งที่ดีเนี่ยมีผู้นำมาใช้เป็นกับดักหมดองค์จตุคามท่านแสนดีท่านก็อยู่มาเป็นพันปีท่านก็อยู่ท่านสบายๆทำความดีของท่านไปสังคมไทยปัจจุบันนี้มีคนเอาท่านมาใช้ มาติดกับด <this> ักดังนั้นเราก็ต้องรู้ทันกับดักนี้แล้วทําไงรู้ทันกับดักนี้เราก็เลี่ยงก็หลบก็ข้ามกับดักนี้ไปหได้ผู้ใดเลี่ยงหลบข้ามกับดักอันนั้นไปได้ก็ไปถึงองค์เจดุคามรามเทพพอไปถึงองค์เจดุคามรามเทพก็ร่วงขบวนกับองค์เจดุคามรามเทพไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเพราะว่าองค์เจดุคามรามเทพเนี่ยท่านเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่ เป็นเทวดาที่พิทักษ์พระบรมธาตุเหมือนกับไปสนองงานเทพทั้งหลายใหญ่ๆก็รับสนองงานพระพุทธเจ้าเท่านั้นก็เคยเล่าให้ฟังแล้วอย่างที่หลวงพ่อโสธรบ้างที่หลวงพ่อพระแก้วมรกตที่วัดพระแก้วบมงเนี่ยก็มีเทวดารักษาเท่านั้นเทวดาเหล่านี้มาคอยรับใช้พูดง่ายๆก็คือมาช่วยดูแลผู้คนในต่างๆ ก็บอกไว้ในหนังสือนี้และบอกพระพุทธเจ้านะไม่ทรงมาบันดาลอะไรให้ใครล็อกเรื่องของชาวบ้านใหม่มายุ่งด้วยและพระองค์ก็บริหนิ้ผ่านแล้วแต่ว่าที่มาช่วยก็คือพวกเทวดาที่มาคอยฝ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยเรียกว่ามาคอยรับใช้พระพุทธเจ้าอยู่ก็ล้วนจะเป็นเทวดาผู้ใหญ่สมัยพุทธกาลก็มีเรื่องเยอะพระอินเนี่ยก็เป็นองค์หนึ่งเมื่อมานับถือพุทธศาสนาและเวลาพระพุทธเจ้าทรงอาพาธเนี่ยพระอินทองค์เนี้ยจะมารับใช้ใกล้ชิดที่สุดเลย นเทวดาเหล่านี้ท่านก็เป็นชาวพุทธที่ดีนี่ถ้าหากว่าเราเข้าใจท่านให้ถูกเราไม่มบิกหวยนะข้ามกลับดักไปได้ก็ไปถึงองค์จ้าทุคามรามเทพก็อย่างที่บอกเมื่อกี้จะร่วมขบวนกับท่านไปฟ้าพระพุทธเจ้าก็จะได้ไปรับธรรมะจะได้ปฏิบัติให้ถูกทางซะอันนั้นก็เป็นปริศนาให้แก่สังคมไทยว่าจะต้องปฏิบัติในเรื่องแม้แต่เทวดาให้ถูกต้อง ก็เป็นที่น่าเสียดายว่าเวลาเนี้ยความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเทวดาเนี่ยคนไทยเนี่ยหลงไปเยอะคนไทยที่เรียกว่าชาวพุทธนี่แหละหลงไม่รู้เรื่องคติเก่าท่านมีมาเนี่ยถือกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแหละไม่เข้าใจอะไรเลยก็น่าจะถือโอกาสมีเกิดเรื่องทานองนี้ขึ้นมาแล้วก็ทำให้มันเป็นโอกาสนะในการที่จะจศึกษาให้รู้ให้เข้าใจให้ถูกต้อง ว่าเทวดาได้่มีความสัมพันธ์กับพุทธศาสนาอย่างไรชาวพุทธควรมีท่าทีปฏิบัติตนต่อเรื่องเทวดาอย่างไรเนี่ยถ้าปฏิบัติถูกต้องแล้วก็จะไม่มีปัญหามีเทวดามาเราก็รู้แนวรู้ทางปฏิบัติถูกต้องใครๆก็มาหลอกไม่ได้แล้วเราเองก็ไม่สับสนแล้วเราก็ไม่เสียหลักในการปฏิบัติพระพุทธศาสนาด้วยทุกอย่างก็เป็นไปได้ดีก็เอาไปว่าเป็นบทเรียนว่า เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ก็เป็นบทพิสูจน์เป็นแบบประคัดสำหรับชาวพุทธทั้งหลายจะได้มาอย่างน้อยก็เรียนรู้ให้เข้าใจอันนี้ตมาก็พูดด้วยไปวันนี้ไม่ได้คิดจะมาพูดเป็นเรื่องเป็นราวกระยมหล้ก็ถือว่ามาพบปะกระยมความจริงแค่จะผ่านตั้งนโมก็เหนื่อยทับแย่แล้วเมื่อกี้เนะี่ยก็เอาค่อยๆตั้งตัวพูดไปเรื่อยๆ ตอนนี้มีเรื่องเด่นอะไรก็เลยยกมาพูดเกิดให้เขาใจแต่เรื่องเหล่านี้โยมต้องถือว่าสำคัญนะถือว่าต้องเข้าใจและปฏิบัติให้ถูกแล้วเวลานี้เราจะมัวมัวยุ่งกับเรื่องที่เกิดขึ้นเดี๋ยวเรื่องโน้นเดี๋ยวเรื่องนี้น่ไม่ได้แต่ไม่ใช่มองข้ามนะต้องไม่ประมาทจะต้องเอาใจใส่แต่ว่าถ้าเรามัวไปสอบสนวุ่นวายงุนงานอยู่กับสถานการณ์เหล่านั้น เราก็ทำอะไรไม่ถูกแล้วก็อาจจะไม่ได้ประโยชน์เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นตอนนี้ในแง่หนึ่งมันเป็นการพิสูจน์ว่าคนไทยชาวพุทธเราที่ผ่านมาเนี่ยไม่ค่อยจะมีหลักและยังปฏิบัติตัวไม่ถูกต้องหรืออาจจะเดินไม่ค่อยถูกทางยังกระจัดกระจายอ่อนแอเป็นต้นแล้วถ้ามองไประยะยาวข้างหน้าเนี่ยเราจะเอาประเทศชาติสังคมของเราไปรอดได้อย่างไร นั้นอย่ามองกันชั่วเฉพาะหน้าระยะสั้นขอให้มองไกลระยะยาวปัญหาระยะสั้นก็ว่ากันไปแหละแต่บางทีเรามายุ่งอยู่กับเรื่องเฉพาะหน้าจนกระทั่งมองข้ามเรื่องระยะยาวจะต้องเอาใจใส่เรื่องระยะยาวให้มากถ้าเราจะแก้ปัญหาสังคมไทยเราจะนำประเทศชาติไปได้ดีเนี่ยจะต้องไปคิดกันให้ชัดแล้วก็ทางานระยะยาวต้องเริ่มแล้วแหละโดยเฉพาะฝ่ายการศึกษา โรงเรียนครูอาจารย์นี่จะต้องเต็มที่แต่ว่าโรงเรียนเท่านั้นก็ไม่พอครูคนแรกของลูกก็คือพ่อแม่เป็นบุรุษผาดจานเนี่ยต้องเริ่มในครอบครัวขณะนี้ต้องยอมรับนะว่าสังคมไทยนี้อ่อนแอมากอะไรแต่อะไรที่มันเข้ามาเป็นบทพิสูจน์ความอ่อนแอของคนไทยก็อย่างเรื่องนี้เรื่องความตื่นกระแสเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์การดนบันดาลการหวังลาบลอยนอนคอยโชค อะไรพวกนี้คือการที่ว่าอยากจะได้อะไรง่ายๆไม่ต้องทําก็แสดงที่ความอ่อนแอและการที่อยากเสพอยากบริโภคมีอะไรก็อยากจะได้มาบํารุงบําเลอความสุขชอบติดเพลินในวัตถุอยากได้ไม่อยากทําอยากหาความสุขไม่อยากทําอยากได้ก็ไม่อยากทําอยากหาความสุขเพลิดเพลินก็ไม่อยากทําคนไม่อยากทํานี่เป็นคนอ่อนแอ อยากทำก็หมายความทาการสร้างสรรค์ทําการผลิตเนี่ยนี่คือเรื่องที่จะสร้างชาติสร้างสังคมระยะยาวจะต้องคิดกันให้จริงจังเพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยมาคิดกันเรื่องระยะยาวทําก็ให้จริงจังแล้วต่อไปข้างหน้าอดทนเอาหน่อยและประเทศชาติจะเจริญก้าวหน้าได้โดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่เนี่ยจะต้องเป็นคนเข้มแข็งจะเป็นคนอ่อนแอไม่ได้แล้วดูคติจากพระพุทธเจ้าสิ บูตเจ้าบำเพ็ญบารมีต้องกี่อตสงขายกี่แสนกับคติโบราณเราก็นับไม่ไหวแหละพระองค์ยังมีความขยันมันเพยียงอดทนได้บำเพ็ญบารมีได้และไม่ต้องไปถึงอดีตเราเอาแค่ในพระชาติสุดท้ายพระองค์ก็ทรงมีความมุ่งมั่นภาคเพยียนเด็ดเดี่ยวเข้มแข็งจริงๆเสียสละได้ทุกอย่างแล้วก็ไปพิสูจน์ทุกอย่างได้แม้แต่พิสูจน์ในปาก พระ อ, องค์เนี่ยเข้าไปปฏิบัติประเพนเพียนในป่าดึกสงัดเอ้าพระ อ, องค์ก็ไปทดลองเลยไปที่จุดที่เขาถือว่าน่ากลัวที่สุดและพระ อ, องค์ก็พิสูจน์ทดลองฝากฟันความกลัวฝึกพระ อ, องค์ให้หายกลัวจนได้นี่แหละต้องเป็นคนมีความเพียรความขยันความอดทนเป็นคนจริงเป็นคนเด็ดเดี่ยวมุ่งมั่นจึงจะทําการได้สําเร็จไม่ใช่คนอ่อนแอจะทําได้เรื่องของความเพียรพยายามระยะยาวเนี่ยสำคัญ ทัศน์สคัญในวันวิสาขาบูชาที่พระพุทธเจ้าประสูตรและมาตรัสรู้นําธรรมะมาประกาศได้จนกระทั่งปฏิญิพานตั้งพระศาสนาในวันคงเนี่ยอะไรที่เป็นจุดหัวใจจุดหัวใจก็อ่าพระองค์ตรัสรู้ไงล่ะเพราะตรัสรู้จึงเป็นพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็คือบรรลุโพธิญาณโพธิญาณก็คือปัญญาที่ทําให้รู้สัจธรรมรู้ความจริง แล้วก็สามารถที่จะนำเอาความจริงนั้นมาประกาศชี้แจงสั่งสอนมนุษย์ให้รู้เข้าใจตามประพฤติปฏิบัติตามได้แก้ไขปัญหาของชีวิตของสังคมของโลกอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่ต้องมาช่วยกันอันนั้นจุดสำคัญก็คือความรู้และความรู้ในที่นี้ไม่ใช่ความรู้เฉยๆแต่หมายถึงความรู้ที่ชัดเจนแจ่มแจ้งและความรู้ที่ชัดเจนแจ่มแจ้งนี้ไม่ใช่ได้มาง่าย ไม่ใช่ใครก็จะมาบอกให้เฉยๆแล้วก็ตัวเองไม่ต้องคิดพิจารณาต้องใช้ความเพียรพยายามมากพระพุทธเจ้าต้องทรงขนขวายทรงสละราชสมบัติออกไปแสวงหาปัญญาตัวเนี้ยเพื่อจะได้โพธิญาปัญญาเป็นจุดหมายที่ต้องการสำเร็จได้ในความเพียรพยายามอย่างยุดยิ่งคนไทยจะสร้างประเทศชาติสังคมแม้แต่สร้างชีวิตครอบครัวเนี่ยจะต้อง ใช้คติจากวิสาขาบูชานี้ให้ได้ก็คือต้องหาความรู้แจ้งจริงด้วยความเพียรพยายามอย่างจริงจังเนี่ยต้องเอาให้ได้แล้วคนไทยรุ่นต่อไปนี่จะสร้างประเทศชาติสังคมสร้างชีวิตของตัวเองได้ต้องมีไม่งั้นเป็นคนที่รู้อะไรก็รู้ไม่ชัดไม่เจนเวลาในปัญหาอะไรต่างๆเกิดจากสังคมไทยเนี่ยเต็มไปได้วยความไม่รู้ ตอนนี้ต้องถึงขั้นที่พู ด, ดว่าเป็นสังคมที่อุดมด้วยความไม่รู้มีการพูดกันบอกว่าจะให้เป็นสังคมอุดมปัญญามันจะตรงข้ามนะถ้ามันไม่อุดมปัญญามันก็อุดมด้วยความไม่รู้หรืออุดมด้วยโมหะมก็ศัพท์ว่าพูดกันไปการแสดงความไม่รู้ที่สําคัญอันหนึ่งก็คือมีจะแสดงความเห็นตอนนี้ชอบพูดกันมากจะฝึกเด็กให้แสดงความคิดเห็น ต้องขอคัดค้านว่าข้ามกระบวนการที่สําคัญขั้นตอนก่อนที่จะแสดงความเห็นต้องหาความรู้ก่อนต้องหาความรู้ให้ชัดเจนแล้วมาแสดงความคิดเห็นบนฐานของความรู้ที่ชัดนั้นมิงานแล้วความคิดเห็นมันเลื่อนลอยแล้วมันหลอกลวงมันเป็นปัญหามากของสังคมไทยปัจจุบันนี้ศักแต่ว่าตื่นกระแสก็ตื่นกระแสแบบเดียวกับเจตุคามรามเทพแล้วก็ไม่รู้ว่าเจตุคามรามเทพเป็นอะไร ตื่นขึ้นไปนี่เราไปถามใช่ว่าจตุคามนี่คือใครเป็นอะไรมาอย่างไรจะปฏิบัติยังไงจะถูกต้องไม่รู้เรื่องเลยคือไม่รู้เลยก็ว่าก็ไปได้เรื่องความคิดเห็นก็เหมือนการแสดงได้ทางนั้นจะไม่รู้เรื่องเลยเรื่องที่ตัวแสดงความเห็นน่ะไม่รู้เรื่องอย่างนี้ก็น่าตกใจมากเพราะนั้นสังคมเนี่ยจะต้องมาแก้กจุดนี้ให้ได้ต้องเป็นสังคมที่อุดมด้วยความรู้ด้วยปัญญาจริงๆไอ้ปัญญานะ่ะไม่ใช่ความคิดเห็นละ ปัญญาคือตัวความรู้และความคิดเห็นมาเป็นเครื่องมือที่จะเอาความรู้นํามาพัฒนาเพื่อให้เกิดความเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นและมันก็ก้าวต่อไปให้ถึงความจริงเป็นขั้นตอนไปแต่ไม่ใช่ลําพังความคิดเห็นขึ้นมามันจะสําเร็จความคิดเห็นขึ้นมาไม่มีความรู้เป็นฐานรองรับก็เลื่อนลอยสิจะเปรียบเทียบไปฟังยกตัวอย่างอันหนึ่งคนคนหนึ่งเนี่ยเดินไปในที่มืด แกก็เดินไปในที่ที่เป็นทางเดินตามธรรมชาติใต้ร่มไม้พอดีเดินไปถึงจุดหนึ่งก็ไปเหยียบเอากระบอกมะพร้าวก็กระบมะพร้าวนะั้นมันมีเศษกะลาติดอยู่แหลมๆ ม, มันก็กระดกขึ้นมาทิ่มขาเอาแกก็นึกว่า ง, งูมันกัดไฟฉายก็ไม่มีมองไม่เห็นว่าเป็นอะไรชัดเจนก็ใช้ความคิดเห็นอะไรทีนี้นะ มองไม่เห็นนะมองไม่เห็นชัดเจนก็คิดเห็นไปนี่ก็คิดเห็นก็ปรุงแต่งสิว่าโอ้หน้ากลัวเป็นงูงูเลยก็ไม่รู้สุงสัยจะเป็นงูมีพิษหรือเปล่าก็ไม่รู้เราแย่แล้วปรุงแต่งไปปรุงแต่งมาแย่แล้วเราโอ้ชักรู้สึกไม่ดีแล้วเจ็บปวดขึ้นมาเอถ้าจะแย่แล้วไปกันใหญ่ทํำท่าจะตายเอานี่คืองูพิษกัดแล้วก็เลยพอดี มีคนที่ว่าไปหาไฟฉายมาได้มาส่งปรากฏว่าเป็นไอ้กาบมะพร้าวหมดเรื่องหายเจ็บหายปวดหมดเลยมันไปไหนล่ะก็เพราะว่านี่แหละก็คือเมื่อมองไม่เห็นความจริงมองไม่เห็นก็เลยคิดเห็นไอ้คิดเห็นเนี่ยมันไม่ใช่ปัญญามันไม่มีความรู้แท้จริงมันก็เลยกลายเป็นคิดเห็นหลอกหลอนเมื่อมองเห็นไม่ชัดเจนก็คิดเห็นหลอกลวงตัวเองไป นนคนปัจจุบันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเมื่อไม่มีความรู้ชัดเจนไอ้ความคิดเห็นมันก็ปรับปรุงแต่งอัตมาก็ขอภัยทําตัวเป็นผู้มองว่างอย่างตอนนี้ก็เรียกร้องเรื่องศาสนาประจำชาติกันหนังสือพิบาตฉบับรท่านผู้เขียนบทความเป็นนักวิชาการไปเขียนลงได้บอกว่าอัตมาเนี่ยเป็นผู้เรียกร้องให้เอาพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติว่างั้นนี่ตัวอย่าง ก็ไม่รู้ความจริงก็ไปเขียนดาวเอาคืบจากการที่ไม่เห็นความจริงไม่รู้ชัดแล้วก็ไปคิดตีความเอาจากกลงโนวนกงนี้เนี่ยจากความที่ไม่รู้ความจริงก็คิดเห็นไอ้ความคิดเห็นมันก็ปรุงแต่งเช่นตีความไม่ถูกต้องเป็นต้นก็เลยต้องเขียนให้เขาเข้าใจว่าโนวนส3าปีไปแล้วปีสองห้าสมเจ็เขาก็รณรงค์ครานั้นเขาไม่จะใช้คําเรียกร้องตอนนั้น เมื่อปี2537นั้นเขาจะร่างรัฐธรรมนูญฉบับปีพุทธศักราช2540คือฉบับที่เลือกล้มไปใหม่ๆที่เปลี่ยนมาจะร่างเป็น2550เนี่ยตอนนั้นปี2537เขากําลังเริ่มร่างกันอยู่ก็มีการรณรงค์ตอนนั้นเขาใช้สับประรณรงค์ตอนนี้เขาใช้ศั์เรียกร้องนะและเนี่ยคนตอนยุคเนี้ไม่รู้เรื่องหลายคนไม่รู้เรื่องว่มาเมื่อปี2537เขาก็ รณรงค์กันมาแล้วเรื่องนี้แล้วฟังดูเถียงกันไปเถียงกันมาก็เถียงเหมือนเดิมเถียงเหมือนอย่างกะปี2537้าสเนแหละไม่ไปไหนแล้วก็คือมีแต่ความเห็นดูแล้วก็ไม่ได้เอาความรู้มาแสดงถ้าอย่างนี้สังคมมันก็วนเวียนเวียนไหวตายเกิดอยู่ในสังสารวัตไม่ไปไหนนี่ก็เลยบอกว่าอาตมานะจะไปเรียกร้องอะไรแล้วไปอยู่ต่างจังหวัดตอนนั้นอาพาธแล้วก็ไปพักอยู่ต่างจังหวัด ก็ได้ยินข่าวเขาเรียกร้องกันแล้วจนกระทั่งตัวเองกลับเข้ามาก็ได้ฟังได้ดูเขาก็เอาหนังสือเทียตมาเขียนไว้ให้พุทธมนทนตอนนั้นเขาอารัตนาขอมาเลยว่าขอให้เขียนเป็นบทความชื่อว่าความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นศาสนาประจําชาติลงในหนังสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ในปีพุทธศักราช2530คือ20ปีมาแล้วปรากฏว่าตอนนี้เขาก็เอาหนังสือเล่มนี้มาลงในหนังสือพิมพ์บางเอามาพูดมาอ่านกันและบางคนก็ตีความเป็นว่าอาตมามาร่วมเรียกร้องหนังสือตั้ง20ปีมาแล้วแล้วก็มาอีกเล่มหนึ่งเนี่ยที่ออกวันนี้เรื่องเจาหาความจริงเรื่องาศาสนาประจำชาตินี่ก็คือเรื่องเมื่อ13ปีมาแล้วตอนนั้นอาตมาก็ ได้รับนิมนต์ไปพูดกับบอกอาตมาเนี่ยมาได้ร่วมรณรงค์ด้วยนะบอกไว้ก่อนตั้งแต่เริ่มพูดเพรา ะ, ะอาตมาเนี่ยเป็นห่วงการรณรงค์ไม่ได้เป็นห่วงเรื่องศาสนาประจำชาติแต่เป็นห่วงการรณรงค์ว่ารณรงค์ต้องรณรงค์ให้ดีให้ได้ผลดีไม่ให้เกิดผลเสียแล้วก็ต้องทํากันด้วยความรู้ความเข้าใจเวลานี้ก็เห็นคนเถียงกันเรื่องนี้ฝ่ายหนึ่งก็เรียกร้องฝ่ายหนึ่งก็ค้านก็มีแต่ความเห็นเป็นส่วนใหญ่ ทำไงเราจะให้ความรู้ความเข้าใจเผยแพร่กันไปก็เลยบอกว่าเอาละมันจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมายังไงก็แล้วแต่เนี่ยขอให้ได้ความรู้จะสำเร็จผลหรือไม่ถ้าเกิดความรู้ขึ้นมาก็ถือว่าคุมแล้วเหตุการณ์นี้ก็ไม่ผ่านไปเสียเปล่านั่นก็ขอให้หาความรู้กันให้ชัดเจนเวลาเกิดอะไรต่ อ, อะไรขึ้นมาเนี่ยทกัได้ความรู้ไม่ใช่สักแต่ว่าพูด บางทีเอามาโฆษณาออกวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอภายเล่าเรื่องเป็นเกล็ดไปกันละกันวันนี้คุยกันไปเรื่อยๆ เ, เขาก็พูดเรื่องพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติแล้วก็เอาเสียงฝ่ายค้านมาคงจะเป็นคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรืออะไรทำนองเนี้ยเวลาข่าวภ า, า, วาคเช้าภาคค่ก็จะเอาเสียงคนให้ความเห็นมาออกวันหนึ่งก็บอกว่าเออ นี่ถ้าอาพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจําชาติอย่างนั้นถ้าต่อไปนี้ผิดศีลห้าก็ต้องผิดกฎหมายสิเดี๋ยวก็ถูกจับอะไรทํานองนี้ไปก็ฟังแล้วก็นึกดูก็น่าขำคือเหมือนกับว่าชาวพุทธเราเนี่ยไม่มีความรู้เข้าใจอะไรเลยที่พูดว่าผิดศีลห้าแล้วเนี่ยจะมีความผิดกฎหมายต้องถูกจับอะไรเนี่ยก็คลุมเครือคือมองไม่รู้อะไรทั้งนั้น พูดไปโดยในใจเนี่ยไม่เข้าใจอะไรชัดเจนแล้วก็ทางกรรมการเนี่ยความเห็นที่ไม่เกิดจากความรู้แสดงความไม่รู้เลยเนี่ยทำไมเอามาออกก็แสดงว่าคณะกรรมการนี่ก็คงมีความไม่รู้เหมือนกั น, นก็นมันก็ชัดอยู่แล้วมองได้สองอย่างบอกว่าเออคนทำผิดศินห้าต่อไปพอบัญญัติพุทธศาสนาเป็นศาสนประจชาติษษาก็ต้องผิดกฎหมายนี่สิบอกไม่ต้องไปบัญญัติเราเดี๋ยวนี้ก็ผิดอยู่แล้ว ก็เลยยกตัวอย่างให้พระท่านฟังบอกเอา้าลองไปปล้นล้านทองเงี้ยใช่ไเดี๋ยวนี้กำลังคิดกันมากว่าทำไงจะช่วยล้านทองได้ปล้นล้านทองเนี่ยผิดกฎหมายไหมแล้วก็ถูกจับไหมนี่ละผิดศีลห้าก็ผิดกฎหมายถูกหัหยหรือไปฆ่าคนเนี่ยก็ผิดกฎหมายไหมก็ผิดศีลห้ามันก็ผิดกฎหมายอยู่แล้วแล้วแต่ว่าจะผิดศีลระดับไหน คือเขาเอาเรื่องของศีลห้านี่แหละไปเป็นฐานในการบัญญัติกฎหมายแต่ศีลห้าน่ะเป็นหลักใหญ่ที่กว้างไม่ให้เบียดเบียนในเรื่องชีวิตร่างกายเวลาจะบัญญตัติจะไปบัญญตัติเฉพาะหลักการดิบๆได้ไงก็ต้องไปแยกแยะออกไปว่าเออถ้าความผิดต่อชีวิตร่างกายในระดับนี้ต่อทรัพย์สินระดับนี้ไปปล้นไปฆ่าอย่างนี้แล้วก็มีความผิดแค่นี้แค่นี้น่าเป็นเรื่องกฎหมายเอาประโยชน์จากเรื่องศีลห้าเนี่ยไปบัญญัติ ที่เขาบัญญัติกฎหมายอาญากฎหมายแพ่งกันมาเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยเอาสีห้าเนี่ยเป็นฐานตลอดมาแหละเพราะฉะนั้นที่ผิดสีห้ามันก็ผิดกฎหมายแต่จะผิดระดับไหนมันก็ผิดว่าไปตามที่เราจะเอามาบัญญัติแค่ไหนนี่มองแง่หนึ่งทีนี้มองอีกแง่หนึ่งก็คือว่าถ้าเอาพุทธศาสนาไปสอนศาสนาประจำชาติหมายความว่าพระจะเอาสีห้ามาบังคับคนหรือไงมันก็เป็นไปไม่ได้ เพราะว่าหลักพุทธศาสนานะไม่บังคับใครใครอยากจะรักษาศีล227ก็ต้องไปบวชใช่ไหมแล้วต้องไปสมัครใจไปขอบวชนะถ้าไม่ใช่มาบวชให้เฉยๆต้องขอบวช ด, ด้วยและแม้แต่โยมจะรักษาศีลห้าเนี่ยพระไม่มีทางที่ท่านจะมาบังคับโยมให้รักษาศีลห้าหรอกแม้แต่โยมอยากจะรักษาศีลห้ายังต้องไปขอท่านเลยใช่ไหมโยมไปขอท่านไปไมายังพันเตวิสุงวิสุงบ้างไหมวิสุงวิสุงบ้าง ม่ยังพันเตติสระเนศสหปัญจศีลานิยัจามะบอกว่าท่านขอรับหรือท่านเจา้าคะผมฤดิฉันเนี่ยขอศีลห้านะบงั้นต้องไปขอนท่านจึงจะให้นะไม่มีทางที่พระจะเอาศีลมาบังคับใครเพราะนั้นเรื่องธรรมศาสนาเนี่ยต้องถือว่าท่านสอนให้คนได้เห็นเหตุเห็นผลมีความเข้าใจดีแล้ว แล้วก็คนนั้นเห็นว่าเออการประพปฏิบัติอย่างนี้ถูกต้องเราไม่ควรจะทําความชั่วไม่ควรเบียดเบีย น, นกันก็เลยตกลงกันให้ท่านเป็นพยานบอกกับท่านว่าฉันจะรักษาศีล น, นี้นี้จึงต้องขอศีลเพราะฉะนั้นเรื่องจะมาบังคับให้รักษาศีลน่นมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วอย่างนี้เป็นตอนถ้าเป็นชาวพุทธที่รู้เข้าใจมันก็ไม่มีเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นมานี้ทําไมแต่เรื่องอย่างนี้ชาวพุทธเรายังไม่เข้าใจเนี่ย แล้วมันจะไปรอดหรือแล้วก็อะไรแต่อะไรก็ไม่รู้แหละบางทีก็บอกว่าเอา้าก็บัญญัติพุทธ ศ, รร ศ, รรศรราสนาพิศาสนาประจำชาติทําไมล่ะพุทธศาสนาประจําใจก็พอแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยคือแยกไม่ออกอะไรเป็นอะไรพูดได้แต่แยกไม่ออกเรื่องพุทธศาสนาเชิงบุคคลกับพุทธศาสนาเชิงสังคมอย่างนี้เป็นต้นถ้าพูดพสัน้นก็จะพูดทํานองนี้แต่เป็นเรื่องที่ต้องชี้แจงกันยาวแต่แสดงว่าเรายัางแยกแยะ ก, กันไม่ถูก ก็ถือเป็นโอกาสที่ว่าจะต้องพัฒนาชาวพุทธอย่างน้อยให้หาความรู้ให้มีความรู้ความเข้าใจกันเพราะว่าปัญหาต่างๆนี้จะแก้ได้สำเร็จต้องมีปัญญาและจุดหมายพุทธศาสนานั้นก็คือโพธิญาณเราจะต้องหาความรู้ที่แท้จริงให้ชัดเจนด้วยการมีความเพียรพยายามอย่าย่อละย่อท้อถอยเพราะนั้นอ น, อนุชนรุ่นต่อไปเนี่ย ลูกหลานทั้งหลายเด็กๆในครอบครัวเนี่ยขอให้ญาติโยมสาธุชนเนี่ยเอาใจใส่เรื่องนี้ก็คือว่าจะต้องสร้างเด็กให้เป็นคนเข้มแข็งและเป็นคนที่ใฝ่รู้ขยันหมั่นเพียรที่จะหาความรู้แสวงหาปัญญาอย่างจริงจังถ้าสังคมของเราไม่มีความเข้มแข็งไปไม่รอดหรอกต่อไปเวลานี้มันแย่อยู่แล้วอ่อนแอรหรือเกินแล้วอ่อนแอทางไหนบ้างล่ะอ่อนแอทางกายก็สุขภาพแต่ว่าแค่นี้มันก็ยัง เพียงด้านหนึ่งเท่านั้นนะและอ่อนแอทางด้านพฤติกรรมที่ว่ามันอ่อนไหวถูกชักจูงง่ายไม่มีความมั่นคงเข้มแข็งในพฤติกรรมที่ดีงามก็อ่อนแออีกอ่อนแอทางจิตใจจิตใจไม่มีความขยันมันเพียนไม่มีความเข้มแข็งอดทนไม่มีสติไม่มีสมาธิแย่อีกหนักเข้าไปอีกพลอยพฤติกรรมก็เลยไม่เข้มแข็งและที่ร้ายที่สุดก็คืออ่อนแอทางปัญญา ไม่มีความเข้มแข็งทางปัญญาสังคมใดไม่มีความเข้มแข็งทางปัญญาเนี่ยมันนําเขาไม่ได้ามมาสังคมที่จะนําเขาได้จริงเนี่ยม er ันต้องเข้มแข็งทางปัญญาความเข้มแข็งทางปัญญานี่เป็นความเข้มแข็งที่ประเสริฐสุดเพราะฉะนั้นในหนังสือเรื่องเจาะหาความจริงเรื่องสศาสนาประจำชาติเนี่ยจึงได้ยกพุทธพจน์มาอันหนึ่งเลยตั้งไว้ให้ดูให้โยมไปดูกันมีพุทธพจน์อันหนึ่งบอกว่า ความเสื่อมถอยที่เลวร้ายที่สุดคือความเสื่อมถอยทางปัญญาแล้วความเจริญพัฒนาที่ประเสริฐสุดคืออะไรก็คือความเจริญพัฒนาทางปัญญาเพราะฉะนั้นเราจะต้องให้คนของเราเนี่ยพัฒนาปัญญาให้เข้มแข็งให้ได้เมื่อเราพัฒนาปัญญาเข้มแข็งแล้วเราจะเอาทางไหนก็ได้อย่างที่เราชอบเรียกว่าทางโลกทางธรรม เราจะไปทางโลกทางเทคโนโลยีเนี่ยมันก็เป็นนํานเขาไม่ได้ถ้ามันไม่มีความเข้มแข็งทางปัญญาถ้ามีความเข้มแข็งทางปัญญาจะนําอเมริกาในการพัฒนาเทคโนโลยีก็ได้ใช่มเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกลัวเราขอให้มันมีความเข้มแข็งทางปัญญาจริงๆหรือในทางธรรมะก็เหมือนกันเราก็ต้องมีความเข้มแข็งทางปัญญาที่จะให้ความรู้เข้าใจความจริงของชีวิตเป็นต้นเรื่องไตรลักษณ์อะไรงี้ให้ฝรั่งเข้าใจ เวลานี้อย่างที่เขาประชุมวิสาขาบูชาโลกว่าฝรั่งมาสนใจพุทธศาสนามีพวกฝรั่งพวกผู้บริหารนักการเมืองมาสนใจสมาธิที่เขาเรียกเมดิเ t ชันคือฝรั่งก็มาสนใจจุดนี้เพราะอะไรเพราะฝรั่งเขาขาดฝรั่งนะแกเป็นคนมุ่งมั่นเข้มแข็งในการที่จะเพียรพยายามทำโน่นทำนี่ดิ้นรนต่อสู้เป็นนักผจญภัย มาแต่ไหนแต่ไรแล้วชอบเสี่ยงภัยนิสัยฝรั่งโดยเฉพาะพวกอเม็นการในนิสัยพื้นก็เป็นอย่างนั้นทีนี้เขามีข้อเสียคือจิตใจมันงุ่นงานพลุ่มพล่านกระวนกรวายเครียดพอมาได้ทางสมาธิมาช่วยเนี่ยจิตใจสงบเขาก็ไปเสริมของเขาเพราะนั้นมันก็กลายเป็นว่าเขามีดีของเขาอยู่ส่วนหนึ่งแล้วไอ้ส่วนนี้ก็ไปหนุน ทำให้เขาทํางานได้จิตใจที่สงบมั่นคงยิ่งขึ้นทํางานที่เขามีความขยันวันเพียรก็ได้ผลยิ่งขึ้นนี้ถ้าคนไทยเราเอาแต่สมาธิมาใช้เราสงบแล้วเราไม่รู้หลักเราไม่ไปทําการทํางานนะแทนที่จะเอาใจที่เป็นสมาธิที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นจิตที่เหมาะกับ ง, งานไปใช้งานกลับมานอนซะนีนะ่บอกว่าใจสงบสบายจะกลายเป็นคนขี้เกียจตกอยู่ในความประมาแล้วจะไปได้เรื่องอะไรอันนั้นจะต้องรู้ฐานฝรั่งด้วย บอกแม้แต่ฝรั่งที่แกเอาไปใช้อย่างนี้เราก็ยังไม่น่าพอใจเลยนะเวลานี้ฝรั่งที่มาพอใจมดิเตเซชันเนี่ยแกพอใจในแงน่นี้ย้ำอีกทีว่าแกถนัดในเรื่องการบุกเบิกฝ่าฟันสร้างสรรค์ทำการงานขยันมันเพียนเป็นนักผลิตนักอุตสาหกรรมเนี่ยแกไปได้ดีแล้วแต่เพราะอย่างนั้นอีกด้านหนึ่งเนี่ยแกจิตใจเครียดกระวนกระวายพลุ่งพล่านมุ่งาน แกได้สมาธิแกก็ไปช่วยของนี้แกก็สบายขึ้นมาอันนี้แกเอาไอ้สมาธิจิตสงบเนี่ยไปสนองรับใช้ไอ้แนวคิดอุตสาหกรรมแนวคิดพิชิตธรรมชาติอะไรเป็นต้นของแกเนี่ยไอ้จุดเนี้ยที่เราจะต้องรู้ทันว่าบอกคุณอย่าเพิ่งพอใจละคุณยังใช้ไม่ถูกหรอกคุณจะต้องไปแก้ไขทิฏฐิแนวคิดที่ผิดของคุณด้วย มันงัคุณจะไม่มีความสุขที่แท้จริงและแก้ปัญหาของโลกไม่ได้หรอกนั้นเราจะต้องทันฝรั่งด้วยแล้วก็ไม่ใช่ทันฝรั่งกับตัวเองแล้วไม่ได้เรื่องตัวเองก็ต้องรู้แล้วก็จัดการปัญหาตัวเองให้ถูกด้วยนี่ก็เป็นเรื่องที่ว่าเมื่อวิสาขาบูชาโลกมาถึงเมืองไทยเมืองไทยเป็นศูนย์กลางจัดแล้วเนี่ยเราจะเป็นศูนย์กลางได้จริงเราต้องรู้ทันฝรั่งนะแล้วก็ต้องสอนฝรั่งให้ได้ให้ไปในทางที่ถูกต้อง เพราะว่าพุทธศาสนาเขามาสนใจแล้วเราก็ต้องมีอะไรให้เขาสิให้เขาเข้าใจถูกต้องฝรั่งมาติดเยอะแค่สมาธิจิตใจแกก็ไปโยคียง่ายพุทธศาสนาอุบัติขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่เพียงเพื่อว่ามาให้เกิดผลสําเร็จทางด้านจิตใจเพราะาตอนพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นนั้นเขามีลัทธิหรือสีโยคีดาบทนัทรษอยู่ในไพรเขาจเจริญไปได้ชาญสมาบัติอยู่แล้วลัทธิโยคะก็จะเจริญแล้ว อาลาลดาบทการามโคตอุทกาดาบทรามบุตรก็เก่งอยู่แล้วพระพุทธเจ้ายังต้องไปเรียนจากท่านมาเลยและพระองค์ก็ผ่านอนนั้นมาแล้วพระองค์ก็มาแสวงปัญญาได้อีกนั้นฝรั่งตอนนี้ก็ไปได้แค่อาจารย์อุทกาดาบทรามบุตรแกก็พอใจแล้วไม่ต้องมาหาพระพุทธเจ้าหรอกทีนี้ตอนนี้ฝรั่งไปได้ถึงอุทกาดาบทรามบุตรเนี่ยเราบอกคุณอย่าหยุดนะแค่นั้นมันยังไม่ถึงพุทธศาสนาหรอกต้องไปต่อต้องไปปัญญาที่แท้ แล้วมันจึงจะแก้ปัญหาโลกได้แก้เอาสมาธิไปใช้แก้ปัญหาจิตใจของแกแกทํางานได้ดีแต่แกยังโลภมีแนวความคิดที่ผิดนะแกก็เบียดเบียนต่อไปแกก็แสวงหาเกิดปัญหาการแข่งขันการเอาเปรียบกัน ร, ระหว่างประเทศพัฒนาแล้วกับประเทศยังไม่พัฒนาไม่รู้จักจบหรอกเพราะฉะนั้นฝรั่งต้องกล้าไปอีกในแง่ปัญญาที่ถูกต้องเป็นสัมมาปัญญาปัญญาที่ชอบธรรมวันนี้ก็เลยมาคุยกับโยมก็เน้นในแง่ หนึ่งก็คือต้องมีความเข้มแข็งตังปัญญาเพราะปัญญาที่แท้จะทำให้มนุษย์ได้บรรลุอิสรภาพความหลุดพ้นเป็นวิมุตต์เนี่ยต้องมีโพธิญาปัญญาสูงสุดเลยหรือสำหรับพวกเราก็คือปัญญาที่รู้แจ้งสัจธรรมอย่างแท้จริงคือรู้ชัดเจนแจม่มแจม้งไม่ใช่ว่าเป็นเพียงความคิดเห็นความคิดเห็นเป็นเครื่องมือของการพัฒนาปัญญาเท่านั้นต้องเอาความคิดเห็นมารับใช้ และเป็นขั้นตอนในกระบวนการพัฒนาปัญญาอย่าไปติดหลงอยู่แค่ความคิดเห็นและจะเป็นความคิดเห็นที่หลอกหลอนมากกว่าเมื่อมองเห็นไม่ชัดเจนก็เป็นความคิดเห็นที่หลอกหลอนตัวเองไปไอมองเห็นเนี่ยมันก็ลูกกตามันมองเห็นมันก็ได้ความรู้ที่ชัดในระดับหนึ่งและใช่ไหมมันก็ไม่ต้องไปคิดเห็นผิดๆถ้าเรามองเห็นไม่ชัดเจนก็คิดเห็นปรุงแต่งก็หลอนตัวเองไปดันั้นความคิดเห็นเนี่ยต้องมี ความรู้ปัญญาเป็นฐานเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นความรู้เรื่องรูปประทามหรือนามธรรมานี่เอาเป็นว่าเราจะต้องมาเน้นเรื่องนี้เรื่องปัญญาแล้วก็ต้องพัฒนาคนระยะยาวด้วยการสร้างเด็กในครอบครัวของทุกท่านให้เข้มแข็งในการแสวงหาความรู้ให้ได้อย่ายอมยอดทอให้เป็นคนายรู้เมื่อเขาไยรู้แสวงปัญญาหาความรู้ที่ชัดเจนแล้วเขาจะมองเห็นอะไรต่าง โอ้อันนี้มันไม่ถูกมันควรแก้ไขจะบกพร่องอันนี้มันดีมันควรจะเป็นอย่างนี้สิ่งที่สมบูรณ์เป็นอย่างนี้คนมีปัญญามองเห็นแยกแยะถูกพอเขามองเห็นว่าอะไรมันผิดอะไรมันถูกอะไรมันบกพร่องอะไรมันสมบูรณ์ก็ทําไงเขาก็เกิดความใฝ่จะทําให้ดีให้สมบูรณ์ขึ้นมาทันทีเลยตอนนี้แหละเขาจะอยากทา อยากทําการสร้างสารรค์อยากจะแก้ไขสิ่งที่บกพร่องผิดพลาดและอยากจะทําสิ่งที่ดีงามสมบูรณ์ให้เกิดขึ้นแต่ปัญญาตัวนี้มันมาทําให้เกิดเองถ้าคิดเห็นอย่างนี้ไม่ไปไหนหรอกไอความฝ่ายปรารถนาจะทําการเนี่ยมันไม่เกิดมันต้องมีปัญญาพอปัญญามันแยกได้อย่างที่บอกเมื่อกี้อันนี้มันไม่ถูกมันไม่สมบูรณ์มันยังมีผิดพลาดบกพร่องมันจะสมบูรณ์มันจะดีต้องอย่างนี้เนี่ย แกก็อยากจะให้สมบูรณ์อย่างนี้ทันทีความอยากจะแก้ไขอยากจะทําก็เกิดขึ้นก็เกิดการกระทําก็ทําได้ความอยากทํามีความสุขมีความเข้มแข็งทําการได้ใจตัวเองเลยอย่างนี้การสร้างสารรค์พัฒนาก็เกิดขึ้นได้ถ้าโม้ความคิดเห็นกันอยู่นี้ไปไม่รอดไม่ไปไหนแล้วประเทศไทยฉะนั้นตอนนี้ต้องค้านกันให้เต็มที่เลยพวกที่เอาแต่ความคิดเห็นเนี่ยพูดมาหลายปีแล้วไม่ก้าหน้าสักที ออกวิทยุกับผู้ก็แัแสดงความคิดเห็นสังคมไทยจะเวียนว่ายอยู่ในสังสารวัตก็เพราะไอ้ระบบการแสดงความคิดเห็นที่ไม่มีความรู้เป็นฐานนี่แหละนั้นขอให้สร้างปัญญาที่แท้จริงที่มองเห็นชัดเจนแล้วสร้างด้วยความเพียรพยายามระยะยาวอย่าย่อท้อแล้วประเทศไทยจะก้าวหน้าได้ไม่ผิดหวังแน่นอนยอมอดทนหน่อยเด็กรุ่นนี้รุ่นต่อไปนี้ ถ้ามีความเข้มแข็งอย่างนี้ประเทศไทยจะเจริญพัฒนาได้ไปร่วมแก้ไขปัญหาสังคมโลกหรือแม้แต่นำโลกก็ได้วันนี้เป็นวันวิสาขาบูชาแล้วเป็นวันสำคัญพระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติไว้เป็นแบบอย่างแล้วเราก็นำแบบอย่างขขาพระองค์เนี่ยมาใช้มาดำเนินตามให้เกิดผลอย่างแท้จริงไม่ใช่ว่ามาเพียงบูชา เรากลับไว้แล้วก็จบเราก็จะได้เพียงขั้นหนึ่งไม่ใช่ไม่ได้นะได้ทุกขั้นแต่ว่าได้น้อยไปควรจะได้ให้คุ้มให้ได้มากที่สุดถ้าปีก่อนเราได้เท่านี้ปีนี้เราต้องได้มากขึ้นเราเคยมาแล้วก็จิตใจสบายขึ้นเยือกเย็นสงบอย่างที่ว่าได้หลักในใจแล้วเวลาไปทํางานทําการเรามีหลักในใจมีศูนย์กลางของจิตใจเป็นที่รวมเป็นที่ว่างที่สงบของเราแล้ว ทำงานก็ได้ผลดีขึ้นต่อมาเราพัฒนาปัญญาของเราเข้าถึงความจริงตามหลักที่พระพุทธเจ้าสอนไว้นี่แหละตรงนี้ที่สําคัญก็แปลว่ายอดการพัฒนาก็คือการพัฒนาปัญญาเนี่ยให้เกิดความเข้มแข็งความรู้แจ้งความรู้จริงทางปัญญาให้ชัดเจนแล้วจะสําเร็จได้ต้องด้วยความขยันหมั่นเพียรเอาจริงเอาจังไม่ใช่เป็นทางของคนประมาทไม่ใช่ทางของคนอ่อนแอเกียรติ้าน ก็ขอให้เรามาช่วยกันสร้างสารรค์สังคมอย่างแท้จริงไม่ใช่พูดกันสักแต่ว่าปากว่ากันไปชวนกันไปแล้วก็เป็นคำหวานแล้วก็จบไปไม่ได้เรื่องเด็ดลาวเอาจริงกันเถิดนะสังคมมันแย่มาเต็มทีแล้วอ่อนแอกันเหลือเกินแล้วต่อไปนี้สร้างสารรค์ระยะยาวก็ไปเอาว่าย้าเรื่องปัญญาความรู้แจ้งชัดเจนโดยการที่มีการพัฒนาปัญญากันอย่าง เอาจริงเอาจังเต็มที่ตั้งแต่ในครอบครัวตั้งแต่เด็กเกิดมาเลยโยมต้องเลี้ยงให้ถูกต้องเลี้ยงให้เจริญปัญญาให้ได้อย่าเลี้ยงมาเป็นนักเสพนักบริโภคนะตอนนี้เลี้ยงเด็กมาให้เป็นนักเสพบริโภคพ่อแม่ก็ไม่เป็นบูรพาจารย์ที่พระพุทธเจา้าอุตส่าห์สอนไว้บอกว่าพ่อแม่ต้องเป็นบูรพาจารย์อ้าวเด็กเกิดมาพ่อแม่ไม่เป็นบูรพาจารย์จะแล้วนำไปในทางที่ผิดใช้ไม่ได้ ต้องเป็นบูรพาาจารย์อาจารย์คนแรกก่อนจะส่งไปถึงโรงเรียนนี่พ่อแม่ต้องส่งลูกไปโรงเรียนด้วยความมั่นใจเลยลูกของเรานี่ก้าวหน้าแดเราสร้างฐานไว้ดีนี่ถ้าเป็นโรงเรียนดีก็ยิ่งส่งเสริมลูกเราไปดีถ้าโรงเรียนไม่ดีลูกเราสร้างทุนไว้ดีแล้วเราไม่กลัวเมื่อกันเพราะฉะนั้นพ่อแม่จะต้องเป็นหลักประกันอันที่หนึ่งให้แก่สังคมต้องมีความมั่นใจตัวเองและมีความตั้งใจเด็ดเดี่ยวทําให้ได้ให้สําเร็จให้จงได้ แล้วคติของวันวิสาขาบูชาก็มาครบตรงนี้เอาและที่บอกเมื่อกี้บอกว่าปัญญาเป็นตัวเป้าหมายสำคัญของเราตอนนี้นะแล้วก็มาลงที่เหตุการณ์สำคัญสามอย่างในวิสาขาบูชาคือการประสูตรตรัสรู้และปรินิพานเมื่อประสูตรนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าย่งไง โยมจำได้ไั้มพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าตรัสเมื่อตอนที่ประสูติอันนี้เป็นคติหลักเลยนะเมื่อถึงวันวิสาขาบูชาถ้าเราจะทวนอย่างง่ายๆเนะี่ยต้องเอาพุทธพจน์ที่ตรัสในวันนั้นๆมาเอานึกออกไหมตอนนี้ถ่ายแล้วแหะ ว, วันวิสาขาบูชาประสูตรตรัสว่าอคโคหมัสมิโลกัสสะเชตโหมัสมิโลกัสสะเศรษฐโหมัสมิโลกัสสะเราเป็นเลศิศ แห่งโลกเราเป็นผู้ประเสริฐเป็นพี่ใหญ่แห่งโลกคําว่าเชตโถเนี่ยเดิมไปคําเรียกพระพรหมนะพระพรมนี่เป็นใหญ่เป็นเชตโถตอนนี้พระพุทธเจ้าประเสริฐมาเจ้าชายสิทธัตถะประกาศเลยเชตโถ่ธรรมสมาสเรานี่แหละประเรสริฐสุดก็คือเปลี่ยนจุดสนใจย้า ย, ายจากพระพรหมมาอยู่ที่พระพุทธเจ้าความเป็นผู้เลิศสุด ย, ย้ายจากพรหมมาอยู่ที่พระพุทธเจ้าคือย้ายจาก เทพมาอยู่ที่มนุษย์แต่เป็นมนุษย์ที่ฝึกตนอย่างยอดเยี่ยมแล้วที่เรียกว่าทันโตเสรโถมนุษย์เสสุในหมู่มนุษย์นั้นผู้ที่ฝึกแล้วประเสริฐสุดพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างของมนุษย์ที่ฝึกแล้วมนุษย์นั้นให้ถือหลักว่าจะดีจะเลิศได้โดยการฝึกเพราะฉะนั้นคติจาร ว, วิสาขาบูชาคติที่หนึ่งก็คือจะต้องฝึกตน โดยเฉพาะก็คือพ่อแม่ก็เลี้ยงลูกครูอาจารย์ก็ให้การศึกษาหรือนํานเด็กในการศึกษาพัฒนาตัวของเขาให้เป็นคนที่ฝึกแล้วฝึกแล้วทันโตแล้วจะเป็นภาวิตัดโตผู้ที่พัฒนาตนและวสด้านท่า น, นี้ครูอาจารย์ก็จะจําแม่นอันเดียวกันนะทันโตภาวิตัตโตทันตะผู้ที่ฝึกแล้วภาวิตะหรือผู้พัฒนาแล้วสี่ด้านเนี่ พระเจ้าให้คติและแมาตรการประสูติของพระองค์เนี่ยพระองค์ให้แหละเพราะฉะนั้นเราจะถือตามกติพระธเจ้าจะต้องฝึกตนและชวนกันให้ฝึกโดยเฉพาะ พ, พ่อแม่ชวนลูกให้ฝึกตนบอกลูกหนูตั้งแต่เกิดมานี่ก็ต้องฝึกกันอยู่แล้วแม้แต่รับประทานข้าวก็ต้องฝึกใช่ไหมก็ฝึกก็คือหัดนั่นแหละหัดทานข้าวหัดยกช้อนหัดขับถ่าย หัดนอนนอยก็ต้องนอนให้เป็นหัดนั่งหัดเดินหัดพูดมนุษย์ต้องฝึกต้องหัดท้งนั้นจะเอาดีได้มนุษย์ต้องฝึกต้องหัดทางนั้ น, นก็ห น, นหนูก็ต้องฝึกต้องหัดมาแล้วจึงทําได้อย่างนี้แล้วทําไมหนูไม่ฝึกหัดต่อไปถ้าหนูฝึกหัดต่อไปไม่หยุดหนูจะประเสริฐสุดจะเป็นอย่างไอสไตล์หรือยิ่งกว่าไอสไตล์ก็ได้ใช่ไหมไอสไตล์ไม่ฝึกแล้วแกจะเป็นไอสไตล์ได้ไหมไม่มีทางจะเป็นได้อย่างไงไอสไตล์นี่แกมีความใฝ่รู้อย่างยิงย่ง แกบอกทำไงแกจะรู้ความจริงของธรรมชาติได้จะให้ความฝ่รู้อันนี้แล้วจะทำให้แกทำทุกอย่างไม่หลับไม่นอนไม่กินกินน้อยๆก็ได้ปล่อยผมก็เป็นกระซิมเลยไม่ต้องตัดก็เพราะาอยากจะรู้นี่แหละแล้วพระพุทธเจ้าก็ทำได้จริงกว่า น, นั้นอี ก, กพระองค์ก็สละราชสมบัติออกไปอยู่ป่าเพียรพยายามทุกอย่างก็เพื่อให้ได้ความรู้นี้ใช่ไหมนี่แหละ และนั้นฝึกตนโดยการฝึกตนก็เป็นพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้าก็เป็นยอดหรือเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างของคนที่ฝึกแล้วนั้นคติจากการประสูตรก็อยู่ที่นี่ก็คือคติฝึกมนุษย์โดยสอดคล้องกับธรรมชาติของมนุษย์ว่าเป็นสัตว์ประเสริฐด้วยการฝึกเพราะฉะนั้นจะต้องฝึกเพื่อทำตนให้ประเสริฐสมชื่อว่าเป็นมนุษย์อ้าวทีนี้สองตอนตรัสรุพุทธพจน์ว่าไง อันนี้สำคัญตั้งําให้ได้ต่อไปตัวแกนของวิสาขาบูชาอยู่ที่นี่พุทธพจน์ในการตรัสรู้พอพระพุทธเจาพพ้าตรัสรู้แล้วเขาเรียกปฐมพุทธพจน์เลยบอกว่ายธาหาเวปาตุพวันติธรรมมาตาปิโนชายโตพรามมณสาเป็ตนต้นสามคาถาได้ความว่าในการใดแลแลทมทั้งหลายปรากฏแก่พรามพรามในที่นี้หมายถึงบุคคลผู้บเสริฐ ผู้มีความเพียรนี่ไม่ต้องมีความเพียรเพ่งอยู่เพ่งพินิษพิจารณาอยู่เมื่อนั้นความสงสัยย่อมหมดสิ้นไปเพราะมารู้แจ้งความจริงคือรู้ทั้งปรากฏการและเหตุที่ทําให้ปรากฏการนั้นปรากฏขึ้นนี่ก็คือตอนตรัสรูพ้พทธเจ้าตรัสถึงปัญญาปัญญาที่รู้กระบวนการความจริงขอธรรมชาติอย่างลงไปถึงกระบวนการว่าเหตุปัจจัยในธรรมชาติ จากการที่รู้กระบวนการกงาเหตุปัจจัยในธรรมชาติรู้กฎปฏิจจสมุบัตบิรู้ไตรลักษณ์รู้หมดเลยนี่คือตัวปัญญานี่ก็คือจุดสําคัญปัญญานี่ไงคือจุดหมายที่ทําให้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ประเสริฐและต่อจากนั้นพระองค์ก็เป็นผู้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็นำเอาธรรมะที่ตรัสรู้ไปสอนผู้อื่นให้ปฏิบัติอย่างพระองค์แก้ไขปัญหาชีวิตเป็นต้นพ้นจากทุกขได้อันนี้คือ ต, ตรัสรู้ก็เป็นคติว่าเราจะต้องทําปัญญาที่รู้เข้าใจความจริงอย่างเหตุปัใจจัยในธรรมชาติเป็นต้นให้ได้เนี่ยให้เกิดขึ้น <c oughs> เราเจออะไรแต่อะไรจะต้องพิจารณาเหตุปัจจัยต้องสืบสาวมันหัดคิดอย่างน้อยฝึกปัญญาในการสืบสวนสืบสาวหาเหตุปัใจจัยให้ได้อย่าไปยอมแพ้มันถ้าเราเป็นคนที่ระจญปัญหาด้วยปัญญาที่สืบสาวหาเหตุปัจจัยเนี่ย เราจะไม่จนแม้จะจนครั้งนั้นเราจะไม่จบแต่เราจะต่อไปอีกเราจะก้าวต่อไปเราจะเจริญพัฒนาปัญญาไปเรื่อยท่านจึงเอาไอข้ขติข้อที่หนึ่งเนี่ยมาฝึกฝึกการพัฒนาปัญญาไปเรื่อยๆนะเพื่อให้เกิดการตรัสรู้แจ้งจริงอ้าวต่อไปสุดท้ายกรณีทีพผ่านพระพุทธเจ้าตรัสไว่ายไงอันนี้น่าจะได้ทุกท่านนะ พระพุทธพจน์ที่ตรัสตอนบริณิพนธว่าหันทธานิภิกขเวอามันตยามิโววยธรรมาสังขาระอปมาเทนสัมปาเทถะภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอบอกหรือเตือนแก่เธอทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาจงยังจุดหมายให้สาเร็จด้วยความไม่ประมาทนี่คือพุทธพจน์สุดท้าย จะบรรลุปัญญานั้นก็ตามหรือได้ปัญญานั้นแล้วจะเอามาใช้แก้ปัญหาชีวิตแก้ปัญหาสังคมเอาไปสั่งสอนเพื่อนมนุษย์ก็ตามจะต้องทําด้วยความไม่ประมาทเมื่อนั้นปัญญาที่ได้มามันก็นอนอยู่นั่นแหละปัญญาก็จะเกิดผลแก่ชีวิตแก่สังคมด้วยความไม่ประมาทด้วยความที่ไม่เรื่อยเปื่อยเฉยชาไม่ปล่อยแปลป ล, ป ล, ละเลยไม่ทะเลทลายไถ่ถาเอาไปต้องมุ่งมัน่นทําการด้วยความเอาจริงเอาจัง นี่คือความไม่ประมาทมีสติเตือนตนไม่หลงหล่นพลาดไปในทางที่ผิดแล้วไม่ปล่อยละเลยโอกาสที่จะทําการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามหลักของความไม่ประมาทมีสองด้านเนี่ยหนึ่งไม่ปล่อยตัวถล่มไปในทางที่ผิดพลาดเสียหายสองไม่ละเลยทิ้งโอกาสในการสร้างสรรค์ทํ า, ส, าสิ่งที่ดีงามมีสองอย่างเนี่ยถ้าคุณทิ้งโอกาสก็ยังถือว่าเป็นผู้ประมาทอยู่ อะ น, นั้นเอาหลักความไม่ประมาทมาใช้เสร็จแล้วก็จะเป็นความสำเร็จผลในการแก้ปัญหาชีวิตสังคมได้หมดสังคมไทยระยะยาวขอให้เอาหลักของวิสาขาบูชาตามคติทั้งสามนี้มาใช้เถอะจะเลยกาวหน้างอกงามแน่สังคมไทยยังไม่ล้มเหลวทีเดียวอาจจะเกือบเลยนะเกือบล้มเหลวแล้วเกือบจะพังภาพอยู่แล้วนะตั้งตัวให้ได้เข้มแข็งลุกขึ้นมาเดินหน้าต่อไป อย่ายอมแพ้และขอให้สู้ในระยะยาวแล้วเราไม่ต้องไปสู้อะไรมากสู้กับตัวเองก่อนในการที่จะทําการที่จะให้สําเร็จนี่แหละฝึกตนเข้าไปพัฒนาเข้าไปสร้างปัญญาเข้าไปมีความไม่ประมาททาการในความขยันหมั่นเพียรจริงจังแล้วก็จะสําเร็จเมื่อทําอย่างนี้แล้ววิสาขาบูชาก็จะเกิดผลสมดังที่เรามาทําพิธีบูชายกให้เป็นวันสําคัญ ความสำคัญก็จะเกิดขึ้นสมความวุ่งหมายก็คือการที่บูชาไม่เสียผลเปล่าจะเกิดผลสมฤตเป็นประโยชน์กับชีวิตและสังคมสืบต่อไปในระยะยาวอย่างไม่อาจจะคำนวณคุณค่าได้เลยวันนี้ธรรภาพก็ขออนุโมทนาโยมญาติมิตรทุกท่านที่ได้มีศรัทธามาโยมมีใจดีแล้วตั้งใจเป็นกุศลมาเนี่ย ใจอย่างนี้เป็นใจที่มีธรรมะอยู่แล้วก็ขอให้ธรรมะเนี่ยมาเพิ่มพูนขึ้นในใจเรามาช่วยกันเติมช่วยกันพัฒนาปัญญาพัฒนาธรรมะแล้วก็ปัญญานั้นรู้ธรรมะเข้าใจธรรมะก็เอาธรรมะไปใช้ไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนแก่สังคมแก่ประเทศชาติแก่ชาวโลกสืบต่อไปด้วยการที่โยมีตั้งใจมีเจตนาดีงามเป็นกุศลทั้งในปัจจบันนี้เป็นปัจจุบันแล้ว อันเบิงหน้าก็เป็นที่หวังต่อไปเมื่อเรามีความรู้ความเข้าใจดีงามก็ขอให้ตั้งใจในที่กล่าวมาในส่วนขณะปัจจุบันก็คือขออนุโมทนาศรัทธาเป็นต้นพร้อมทั้งเมตตาไมตมรีที่โยมญาติมิตรมีต่อกันก็ขอให้เราทั้งหลายมีจิตใจชื่นบานผงสัยว่าได้มาทำบุญทำกุศลดีแล้วบูชาพระพุทธเจ้าทาหน้าที่ของตัวเองทาเพื่อตัวเองด้วย ทำเพื่อพระพุทธศาสนาด้วยเพราะว่าเมื่อเรามานั่งทําพิธีบูชาอย่างนี้เราก็เหมือนกับว่าให้เวลาแก่พระพุทธศาสนามาช่วยกันสืบต่ อ, อยุทธศาสนาทําให้พระพุทธศาสนามีความมั่นคงสืบต่อไปและพระพุทธศาสนาจเจริลมั่นคงก็เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนวโลกทั้งหมดรวมทั้งตัวเราด้วยก็ขอบุญกุศลที่ได้บังเพลิ เป็นปัจจัยอวยัยให้พรให้โยมญาติมิตรสาธุชนทั้งหลายจงเจริญด้วยจกตุรพิทพรชัยมีกำลังกายใจปัญญาและกำลังความสามาคัคคีที่จะดำเนินชีวิตและกิจการงานและการบำเพ็ญประโยชน์ทั้งหลายให้สำเร็จก้าวหน้าไปสู่ความมุ่งหมายมีความร่มเย็นงอกงามในพระธรรมของพระสมมาสัพุทธเจ้าโดยทั่วการทุกท่านตลอดการทุกเมือ่อ เธอ